วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ยี่สิบสี่ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะว่าเป็นมีมีการกระทาที่เป็นมงคลความมงคลนี้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระแต่วันพระนี้มักจะมีการกระทาที่เป็นมงคลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้หลายประการด้วยกันในมงคลสามสิบดมีหลายข้อที่จะมีการกระทาในวันพระกันเช่น หนึ่งการไม่คบคนพาลคนพาลก็คือคนโง่คนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ตนไม่รู้บุคคลไม่รู้สังคมไม่รู้การละเทศะ และไม่รู้ประมาณคือเป็นคนที่ไม่รู้จักบาบุญคุณโทษข้อที่สองของมงคลก็คือการครบบัณฑิตการมาวัดนี้ก็จะได้มาคบกับบัณฑิตบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนานั่นเองบัณฑิตคือคนฉลาด คนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประมาณคนที่รู้ธรรมะรู้เหตุรู้ผลรู้บาปบุญคุณโทษรู้นรกรู้สวรรค์ รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองไม่มีใครที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก mm hmm. ารที่ที่เราได้มาวัดจันเราก็จะได้พบกับพระพบุทธพระธรรมพระสงฆ์ ในรูปแบบใดแบบหนึ่งเช่นการฟังธรรมนี้ก็เป็นการพบกับพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปแล้วก็าตามแต่พระธรรมคำสั่งคำสอนของเรานี้แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไป ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคุผู้ใดฟังธรรมผู้นั้นก็ได้ฟังธรรมจากตถาคตจากพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นการครบบัณฑิตไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลข้อที่สามที่เราจะได้กระทันกันก็คือ การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชานั้นบุคคลที่สมควรแก่การบูชาที่ที่สูงสุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นบุคคลที่มีพระคุณที่มากที่สุดต่อสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครที่จะ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 นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นบิดามารดาที่มีพระคุณกับเราให้กําเนิดกับเรานี้ท่านก็มีพระคุณมากแต่เมื่อได้เปรียบกับพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วต่างกันเหมือนกับฟ้ากับดินเพราะการให้กําเนิดเป็นมนุษย์นี้ก็เพียงแต่ให้เราได้มีโอกาส ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่บนโลกนี้แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรมากนะจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ราจะไม่รู้จากวิธีที่จะพาให้ตนเองได้ หลุดพ้นจากฟองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางทั้งนั้นดังนั้นถึงพ่อแม่จะมีพระกุลให้กับลูกๆให้กำเนิดลูกๆมาแต่ก็พ่อแม่ก็จะไม่สามารถพาให้ลูกได้หลุดพ้นจากฟองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าเป็นพ่อแม่ที่ฉลาดที่ดีอย่างมากที่พ่อแม่จะทำได้ก็สอนให้ลูกกระทำความดีทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ฝึกจิตด้วยการทำสมาธิก็จะทำได้เท่านั้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่บนในโลกนี้ เพราะจะไม่มีใครรู้เรื่องของปัญญาที่จะเป็นแสงสว่างนำพาให้จิตใจได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองอันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับพระคุณของพ่อแม่กับพระคุณของพระพุทธเจ้าแนละ้วต่างกันอย่างฟ้ากับดิน เพราะถ้าได้มาเกิดอย่างในยุคนี้ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์นำพาให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบูชาการบูชาในพพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกัน คือบูชาด้วยอาบิสบูชาและปฏิบัติบูชาอาบิสบูชาก็าาการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูปเทียนหรือการสร้างถาวรวัตถุต่างๆมาเป็นเครื่องบูชาเช่นสร้างพระพุทธรูปต่างๆ สร้างพระเจดีย์ไว้เก็บพระธาตุสร้างโบสถ์ไว้เป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำอามิสบูชาซึ่งผลที่จะได้รับจากอามิสบูชานี้เป็นผลไม่มากเท่ากับผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูบชา พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นให้ชาวพุทธเหล่านี้ให้หนักไปทางปฏิบัติบูชาเพราะการปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะการปฏิบัติบูชานี้จะทําให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง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 จำเป็นต้องใช้การปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็เป็นการบูชาในขั้นแรกเมื่อเรายังไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติบูบชาได้เราก็บูชาด้วยอามิสบูชาไปก่อนด้วยการกระทําความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะแล้วก็ ทำนุษำลุงพระพุทธศาสนาด้วยถาวรและวัตถุต่างๆด้วยปัจจัยสี่เช่นการทำบุญใส่บาตรการถวายผ้ากระถินหรือผ้าป่าแล้วก็การสร้างถาวรและวัตถุคือที่อยู่อาศัยแล้วก็การ รักษาพยาบาลให้แก่ภาพภิกษุผู้ป่วยไข้าาการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาบิสบูชาเป็นการปฏิบัติในระดับทางซึ่งเป็นขั้นแรกของการปฏิบัติที่จะพาให้ไปสู่ขั้นที่เป็นการปฏิบัติบูบชาที่แท้จริงก็คือขั้นศีลสมาธิและปัญญา อันนี้จะถือว่าเป็นการบูชาที่แท้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะยังไม่สามารถกระทําได้สำหรับผู้ครองเรือนเนื่องจากอินทรีย์ยังมีกำลังไม่แก่กล้าพอที่จะเข้าสู่การปฏิบัติศีล ส, สมาธิและปัญญาได้ก็ให้อาศัยการ บูชาด้วยอัมิสซาบูชาไปก่อนแล้วเมื่อทำไปเรื่อยๆอินทรีย์ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาตามลำดับจนต่อไปก็จะสามารถที่จะรักษาสี่งและปฏิบัติสมาธิและปัญญาตามลำดับได้ต่อไปอันนี้คือเรียกว่าบุกการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา ปูชาจะปูชนียนานังเอตมังกาลมุตตังนอกจากนั้นก็ยังมีการกระทาข้ออื่นๆอีกเช่นการฟังธรรมการสนทนาธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลเช่นเดียวกันกาเลนะธรรมมัตสวนงัง เอตัมมังกัลมุตัมมังการฟังธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะส่งเสริมให้จิตใจนั้นเจริญสูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น คำว่ามงคล น, นี้คือความสุขความเจริญทางด้านจิตใจขอให้เข้าใจอย่าไปคิดว่าเป็นความสุขความเจริญทางด้านราบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ไม่ใช่เป็นมงคลเป็นโลกธรรมความสุขความเจริญทางจิตใจนี่ต่างหากที่เป็นมงคล เพราะจิตใจที่ได้รับการส่งเสริมให้สุขให้เจริญก็จะเป็นจิตใจที่จะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆจะอยู่ใกล้กับความสุขที่แท้จริงและที่ถาวรการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือการสนทนาธรรมก็มีคุณมีประโยชน์หลายประการด้วยกัน คือจะได้ยินได้ฟังทำรรที่เรายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองจะได้ทรรมที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อเราได้ฟังฟังซ้าบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้ความดังเลสงสัยต่างๆ หมดสิ้นไปได้4จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง<ม>เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคืออบายผลของบุญคือสวรรค์มีจริงการเวียนว่าตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏ น, นี้เป็นของจริง ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งทำขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟโดยมีใจธาตุที่ห้าคือธาตุรู้นี้มาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำบุญทำบาปทม ทำอะไรต่างๆที่จะก่อผลต่อจิตใจในทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีขึ้นอยู่ว่าได้รู้จักเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีว่าเป็นอย่างไรหรือไม่การที่จะรู้เรื่องที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจและเรื่องที่ไม่ดี ที่เป็นพิษเป็นภยัยกับจิตใจก็จำเป็นที่จะต้องเข้าหาผู้รู้ที่รู้เรื่องราวเหล่านี้นั่นเองผู้ที่รู้เรื่องราวของเรื่องคุณเรื่องโทษต่อจิตใจนี้ก็ไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจำเป็นที่จะต้องคอยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อย อย่าไปหาคนที่ไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องผลของบาปบุญคุณโทษคือนรกสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจะไม่ได้เรียนรู้จากคนที่ไม่รู้นั่นเองคนที่ไม่รู้เรื่องราวล่านี้อย่าไปคบค้าสมาคมสนับสนมมากจนเกินไป คบค้าไปตามมารยาทตามฐานะเพราะเรายังต้องเกี่ยวข้องกับคนต่างๆอยู่เรายังต้องทำมาหากินเราก็อาจจะต้องพบค น, คนหลายแบบหลายชนิดด้วยกันเราจึงต้องรู้จักแยกแยะว่าคนที่เราครบนี้คบในฐานะอะไรถ้าคบในฐานะการทำธุรกิจทำอาชีพ เลี้ยงชีพนี้ก็ครบไปเขาจะเป็นบัณฑิตหรือไม่เป็นบัณฑิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็แยกแยะเอาไว้คือเราก็อย่าไปถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนไม่รู้เขาเรื่องเรื่องบวชบุญคุณโทษเราก็ต้องระวังเวลาที่เขาชักจูงเราถ้าถ้าเขาชักจูงเราไปในทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย จะจิตใจเช่นชวนให้เราไปเสพอบายามุขเนี่ยให้เราไปดื่มสุรายาเมาให้ไปเล่นการพนันให้ไปเที่ยวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆให้เราเกียรติคร้านถ้าเขาเป็นคนลักษณะนี้หรือถ้าร้ายไปก่อนนี้คือชวนให้เราไปทำบาป ด้วยการหลอกลวงด้วยการช่อโกงด้วยการประพฤติผิดประเวณีด้วยการฆ่าฟันถ้าเป็นบุคคลแบบนี้เราต้องรู้ว่าเขาเป็นคนพาลเป็นคนโงงถ้าคบก็ครบเพื่อไม่ให้เสียมารยาทแต่เราต้องอย่าให้เขาชักจูงเราชักนำเราไปในทางที่เขาจะไป ถ้าเป็นทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วเราก็ต้องปฏิเสธอย่าไปเสียดายความเป็นมิตรภาพถ้าคิดว่าถ้าปฏิเสธแล้วเขาจะไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับเราเราก็อย่าไปเสียดายเพราะคนแบบนี้ไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับเรามีแต่จะเป็นโทษกับเราเพราะจะดึงจิตใจของเราให้ลงต่ำนั่นเอง เขาจะไม่ได้เดึงจิตใจเราให้สูงขึ้นได้อันนี้ถ้าเป็นคนแบบนี้ก็ตัดไปเลยถ้าถ้าปฏิเสธแล้วเขาไม่ยินดีที่อยคบค้าสมาคมทำธุรกิจการค้าร่วมกันก็ไม่เป็นไรเสียเงินดีกว่าเสียใจใจนี้เป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะว่าถ้า ดึงใจให้ตกต่ำแล้วแม้จะอยู่อย่างง่ำรวยก็ตามตายไปมันจะไม่คุ้มค่าตายไปความร่ารวยก็หมดไปแต่ความเสื่อมของจิตใจมันไม่ได้หมดไปกับความตายมันพาให้ใจไปเกิดในที่ต่าต่อไปนั่นเองดังนั้นเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและผลประโยชน์ในอนาคตด้วย อย่ามองแต่ผลประโยชน์เฉพาะในปัจจุบันคือการได้ลาบยศสรรเสริญมาได้ความสุขทางตาหูจมูกวิ้กายมาแต่ต้องเสียความคุณธรรมความดีงามของจิตใจไปอันนี้จะได้ไม่คุ้มเสียช่ว่เสียประโยชน์ทางลาบยศสรรเสริญสุขและรักษาประโยชน์ ทางด้านจิตใจจะดีกว่านั่นที่พระเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าให้เราสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามอันนี้แหละเพราะคุณธรรมความดีงามจะเป็นสิ่งที่จะเกือ้อกูล รักษาจิตใจให้สูงขึ้นไม่ให้ตกต่ำให้จิตใจขึ้นไปสู่ที่สูงสุดตามนํำดับของการปฏิบัติองั้นถ้าต้องเสียทรัพย์เสียธุรกิจเพราะจะไม่ได้คบกับคนพาลก็อย่าไปเสียไดย้แล้วถ้าต้องเสียทรัพย์เพื่อรักษาวิยว่าก็ต้องเสียเช่นต้องเสียเงินไปรักษาตาไปรักษาอะไรตา่าง ก็ เ, เสียไปอย่าไปเสียได้ทรัพย์ทรัพย์เป็นของชั่วข่าวคุณค่าของทรัพย์นี้มีไม่มีค่าเท่ากับคุณค่าของอวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะถ้าไม่มีอวัยวะแล้วการดำรงชีพก็จะดำรงได้อย่างยากลำบากนั่นเองทรัพย์นี้หาใหม่ได้ใช้ไปแล้วหมดไปถ้ามีอวัยวะที่สมบูรณ์ ก็ยังสามารถที่จะไปหาทรัพย์มาใหม่ได้แต่ถ้าเสียอวัยญาณไปแล้วมันหาไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปเสียอวัยวะเพื่อเอาทรัพย์อย่างบางคนที่มีข่าวในยุคปัจจุบันนี้ยอมเสียตาขายตาขายไตยเพื่อจะได้เอาทรัพย์มาอย่างนี้มันไม่ไม่เสียเสียของที่มีคุณค่ามีคนประโยชน์ เพื่อแรกกับของที่ไม่มีคุณค่าคุณประโยชน์เสียได้ทรัพ ม, มาเดี๋ยวใช้ไปไม่นานก็หมดก็จะเสียทั้งอวัยวะด้วยเสียทั้งทรัพย์ด้วยแต่ถ้ายอมอดทนไม่มีทรัพย์ใช้ก็ใช้ความอดทนอดกลั้นเอาใช้ความมากน้อยสันโดษตาก็ยังสามารถที่จะรักษาอวัยวะได้ แต่ถ้าต้องเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็จําเป็นที่จะต้องยอมเสียเพราะชีวิตนี้สําคัญกว่าอวัยวะอาจจะต้องเสียแขนเสียขาภไยเพราะว่าเป็นมีโรคเชื้อโรคเป็นแผลเลือดหลักลัจรามปานไปทั่วร่างกายหมอก็ต้องบอกว่าให้ตัดแขนตัดขาไป อันนี้ถ้าจําเป็นก็ต้องทําเพื่อรักษาชีวิตไว้เพราะชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะที่เหลืออยู่นี้เอามาใช้ให้เกิดมงคลแก่จิตใจได้ยังยังปฏิบัติธรรมได้ยังฟังเทศฟังธรรมได้ยังสนทนาธรรมได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตแล้วนี้ก็จะไม่สามารถที่จะ รักษาธรรมคือสร้างธรรมะให้แก่จิตใจได้ด mm hmm. ังนั้นถ้าต้องรักษาชีวิตเพื่อเพื mm ่อสละอาวัยวะก็ต้องทําไปแล้วถ้าต้องสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะคุณธรรมก็ต mm ้องยินดีที่สละชีวิตถ้าเรายังต้องตายไปเพื่อรักษาคุณธรรมอันดีงามรักษาศีลธรรมเช่นถ้าเราต้องอดตาย เพราะเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ถ้าเราตายไปแบบนี้เราจะไม่ขาดทุนบาลรัตจะรักษาคุณธรรมที่จะรักษาจิตใจให้อยู่สูงให้สุขให้เจริญได้ดีกวารักษาชีวิตด้วยการเสียสละคุณธรรมไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อมารักษาชีวิตให้อยู่ต่อไปได้ ชีวิตอยู่ได้ก็ไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีแต่จิตใจนี้จะลงตัดจะต้องไปเกิดนายบายถ้าทำผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคบหาบัณฑิตเพื่อเราจะได้รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นคุณเป็นโทษต่อจิตใจสิ่งที่เป็นโทษ เราจะได้พยายามละเว้นอย่าไปทำมันสิ่งที่เป็นคุณพยายามทำให้มากๆเพราะว่ามันจะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจให้มากขึ้นไปตามลำดับจนไปถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าเรามีบัณฑิตเป็นผู้คอยให้คำแนะนำสั่งสอนไม่ต้องไปเสียดาย คนโง่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะเป็นมิตรกับเราเพราะเราไม่ไปทําตามความโง่อของเขาเราก็ไม่ต้องไปเสียดายการเสียคนโง่นี้เหมือนกับการเสียเสียสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไปเช่นเสียขยะเวลาเราทําอะไรเราก็มักจะมีขยะมันถ้าเกิดมีขโมยมาขโมยขยะไปนี้เราก็จะ ไม่รู้สึกเสียดายอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทิ้งอยู่ดีอยู่แล้วของขอยะนี่มันไม่มีคุณมีประโยชน์ต่อเราเราเก็บของที่มีคุณค่าไว้ของที่ไม่มีคุณค่าเราก็ทิ้งไปหรือถ้ามีใครจะมาขโมยไปก็ยินดีให้เขาไปการคบคนนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ให้เราเลือกคบคนที่ดีดีเท่าเราหรือดีกว่าเราอย่าไปคบคนที่เขาดีด้อยกว่าเราน้อยกว่าเราหรือเร็วกว่าเราเพราะว่าถ้าเขาเร็วกว่าเราเขาจะดึงให้เราไปเร็วเท่าเขานั่นเองเขาเคยทำอะไรไม่ดีเขาก็จะชวนเราให้ไปทำไม่ดีกับเขาแต่ถ้าเราคบกับคนดี คนดีก็จะชวนให้เราไปทำความดีกันถ้าเขาดีกว่าเราเขาก็สามารถดึงเราให้ทำความดีที่เรายัางไม่ได้ทำนั้นถ้าจะต้องคบคนก็ให้เลือกคบคนที่ดีเท่าเราหรือดีกว่าเราอย่าไปคบคนที่เขาต่ำกว่าเราเร็วกว่าเราแล้วถ้าเราไม่สามารถหาคบคนที่ดีเท่าเราหรือดีกว่าเราได้ก็ให้อยู่ ตามนำพังจะดีกว่าอย่างน้อยก็จะไม่ขาดทุนคือไม่กำไรแต่ก็จะไม่ขาดทุนไม่ได้คบคนดีก็จะไม่มีใครเขาจะดึงดึงเราให้ขึ้นสูงได้แต่ถ้าเราไปคบคนไม่ดีเขาก็จะดึงเราให้ลงต่ำได้ในั้นเวลาเราคบคนนี้เราต้องดูว่าเขาเป็นมันด็หรือเขาเป็นคนพาลถ้าเป็นคนพาลก็อย่าไปคบ ให้คบบัณฑิตและคนพาลและคนบัณฑิตนี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันคนพาลคนบัณฑิตภายนอกและคนพาลคนบัณฑิตภายในภายนอกก็คือภายนอกใจเราภายในก็คือภายในใจของเราใจของเรานี้ก็มีทั้งบัณฑิตและมีทั้ง คนพาลอยู่ในใจของเราด้วยคนพาลและคนบัณฑิตในใจเราคืออะไรก็คือความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลกับความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั่นเองเวลาใดที่เราคิดไปในทางบาปทางอกุศลให้รู้ว่าเรากำลังคบกับคนพาลแล้วคนพาลนี้จะชวนให้เราไปทำบาป ไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคล mm hmm. เช่นไปเสพประบายยมุกไปทำบาปด้วยวิธีการต่างๆอันนี้ขอให้เรารู้ว่ากเรากำลังเจอคนพานนะคนพานในใจเราก็มีบัณฑิตในใจเราก็มี mm hmm. เวลาที่เราคิดไปทำบุญ mm hmm. ทำกุศลอย่างวันนี้คิดว่ามา ฟังเทศฟังธรรมดีกว่าได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมและได้ทาบุญทาทานไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตความคิดที่จะดึงให้เราไปทางบุญทางอาคุทางกุศลนี้ถือว่าเป็นบัณฑิตภายในความคิดที่จะดึงเราให้ไปในทางบาปทางอกุศลนี้เรียกว่าเป็นคนพาณภายในที่เราจะต้อง ไม่คบค้าสมาคมด้วยคือไม่กระทำตามแล้วต้องห้ามความความคิดแบบนี้พยายามหยุดความคิดแบบนี้ด้วยการใช้สติเป็นเครื่องหยุดมันอันนี้ก็คือเรื่องของบัณฑิตและคนพานอีกอย่างหนึ่งที่คนพานกับบัณฑิตนี้จะต่างกันก็คือการรู้สิ่งที่ควรจะรู้เจ็ดประการด้วยกัน คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณการรู้สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมที่สาคัญเป็นปัญญาเป็นความรู้ที่จะทำให้เป็นบัณฑิตถ้าเราคิดว่าเราเป็นบัณฑิตเราต้องรู้ ความจริงเจ็ดประการนี้คือเราต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณความพอดีการรู้เหตุรู้ผลนี้ก็คือให้รู้ว่าอะไรคือเหตุที่มีผลกระทบกับตัวเรา ต่อจิตใจของเราเหตุที่มีผลที่จะทำให้เกิดผลกระทบกับจิตใจของเราก็คือการกระทำของเราเนั่นเองการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจนี้เรียกว่าเป็นการเ ป, เป็นเหตุเรามีการกระทำเหตุเ ห, เหล่านี้ทุกวันเรามีการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับนี้ แทบจะทั้งวันเราจะมีการกระทำทางกายทางวาจากันและการกระทำทางกายทางวาจานี้ก็เป็นไปได้สามทิศทางด้วยกันทำไปแล้วทำให้เกิดบุญ mm. เกิดกุศลขึ้นมาทำไปแล้วทำให้เกิดบาป mm. เกิดอกุศลขึ้นมาและอันที่สามทำไปแล้วเป็น การกระทาแบบกลางๆไม่เกิดบุญไม่เกิดบาปอันนี้เราต้องรู้ว่าเป็นอย่างไรการกระทาที่เป็นบุญนี้เป็นอย่างไรการกระทำที่เป็นบุญก็คือการกระทำที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าเป็นการกระทำบุญเช่นเราใส่บาตรตอนเช้าเนี่เป็นการกระทำที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ ต่อพระภิกษุท่านจะได้รับของที่เราถวายไปอย่างชีพเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทาที่เป็นบุญการกระทาที่เป็นบาปก็คือเราไปจับปลามาแล้วก็เอามาต้มเอามาแกงแล้วก็เอามารับประทานอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทาที่เป็นบาป แล้วมันก็มีผลตามมาด้วยเหตุคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจมีการกระทาได้สามทางทำบุญทำบาปและทำที่ไม่ใช่เป็นบุญและเป็นบาปการกระทาที่ไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นอะไรก็คือการกระทาที่ไม่เกิดคุณหรือเกิดโทษต่อผู้อื่นหรือกับตัวเราเองเช่นการ อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันอะไรทำนองนี้เราไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์หรือทำโทษแก่ผู้อื่นเราทำคุณทำประโยชน์ให้กับร่างกายของเราแต่ก็ไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจของเราเท่าไหร่นี่เรียกว่าเป็นการกระทำกลางกลางกรรมคือแปลว่าการกระทำมีการกระทาได้สามทางทางบุญทางบาป และทางที่ไม่ใช่เป็นบุญและเป็นบาปการกระทําะไรที่เราทําเพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายเรานี้เรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้อื่นก็ถือว่าเป็นเป็นการกระทําที่ไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั่นเองส่วนการกระทําที่ไปเกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นไปจับปลามาฆ่าแกงกินอย่งนีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่เกิดโทษต่อผู้อื่น ถึงแม้จะเกิดประโยชน์กับร่างกายของเราแต่มันก็เป็นการเกิดโทษต่ตอจิตใจของเรามันจะมีมันจะมีผลเสียต่อจิตใจของเราเบื้องต้นเราต้องรู้เหตุก่อนว่าเรามีการกระทาอะไรบ้างทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำส่วนใหญ่นี้จะต้องออกมาจากใจก่อนใจต้องเป็นผู้สั่งการก่อน สังแล้วถึงจะมีการกระทาทางวาจาและทางใจตามทางร่างกายตามมาคือเราต้องคิดก่อนคิดแล้วเราก็จะส่งคาสั่งความคิดนี้ไปที่วาจาและที่ร่างกายเช่นวันนี้เราคิดจะมาทําบุญที่วัดกันพอเราคิดแล้วเราก็ปล่อยไปทางวาจาเชื่อเชิญคนที่คนใกล้ชิดคนสนิทสนมเพื่อนฝูง ว่าวันนี้จะมาทำบุญจะมาไม่อะไรอันนี้ก็เป็นการกระทำทางวาจาที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเมื่อได้ถึงเวลาก็ออกเดินทางมาด้วยด้วยร่างกายนำร่างกายมาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นบุญเกิดจากต้นเหตุใหญ่ก็คือใจคือความคิด ถ้าใจไม่คิดแล้วร่างกายและวาจานี้จะทําจะทําอะไรไม่ได้ต้องรอคําสั่งจากใจก่อนใจเป็นผู้สั่งการสั่งให้ทําบุญสั่งให้ทําบาศั่งให้ทําสิ่งที่ไม่ใช่เป็นบุญและเป็นบาอแล้วเมื่อมีการกระทําเหล่านี้แล้วสิ่งที่จะตามมาต่อไปก็คือผล เราก็ต้องรู้ว่าผลนี้ที่เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาทางใจนี้เกิดที่ไหนเกิดที่ใจนะไม่ได้เกิดที่อื่นไม่ได้เกิดที่ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เกิดที่ตําแหน่งไม่ได้เกิดที่รางวี่รางวัลอะไรต่างๆแต่เกิดที่ใจเพราะใจเป็นผู้กระทําและใจก็จะต้องเป็นผู้รับผล ร่างกายกับวาจานี้เป็นเพียงเครื่องมือร่างกายกับวาจานี้จะไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลที่แท้จริงผู้ที่รับผลที่แท้จริงก็คือใจและผลที่ใจจะได้รับจากการทําบุญทําบาปกับการกระทําที่ไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปนี้คืออะไรก็ค<ม>ือ<ม>ถ้าทําบุญก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าทาบาป ก็จะเกิดควางทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาถ้าทำที่เป็นกลา ง, ลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็จะไม่รู้สึกสุขใจหรือทุกข์ใจแต่อย่างใดอันนี้แหละคือผลที่เกิดจากการกระทาคือเหตุทางศาสนานี่ให้เรารู้เหตุและรู้ผลตรงนี้ไม่ใช่ไปรู้เหตุว่าทำรักทรัพยวจะช่อโกงแล้วจะร่ำรวย จะได้อสมบัติจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุและเป็นผลทางศาสนาอันนั้นเป็นเรื่องของทางโลกมันมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่โดยโดยผลแล้วมันไม่มันอาจจะไม่คล้องกันเพราะทางโลกก็คิดว่าถ้าทําดีแล้วจะต้องเจริญในาะลาภยศสารเสริญสุขแต่เอ๊ะทําไมบางคนทําดีแล้วกลับไม่ได้ดี ทำไมคนทำไม่ดีกลับได้ดีได้ดีนั่นะเพราะว่าทางโลกมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่เราคิดกันแต่ทางธรรมนี่มันตรงไปตรงมาผู้กระทำคือเหตุก็คือใจโดยมีกายวาจาเป็นเป็นเครื่องมือและผู้รับผลก็คือใจโดยมีกายวาจา เป็นเครื่องมืออาจจะรับผลบ้างอาจจะไม่รับผลบ้างก็ได้แต่ผู้ที่รับผลอย่างเต็มที่นี้ก็คือใจคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่เกิดการกระทำขึ้นมาไม่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าเป็นเดี๋ยวนี้เลยถ้าทำบุญใจก็มีความสุขใจก็จะเริ่นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าทาบาปใจก็จะเกิดความทุกข์ ถ้าใจก็จะเสื่มลงไปอีกระดับหนึ่งทันทีเสื่มมากเสื่อมน้อยเจริญมากเจริญน้อยก็อยู่ที่การกระทําทําบุญทำบาปว่ามากวา่หรือว่าน้อยแต่ถ้าเป็นการกระทําที่เป็นกลางไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปใจก็ไม่เสื่อมใจก็ไม่เจริญใจก็อยู่ที่เดิมเราต้องเข้าใจหลักนี้เพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่าร่างกายกว่าสิ่ ง, งต่างๆที่ เราจะได้รับในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆรวมทั้งร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวมันถ้าจะมีผลก็ชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่เช่นทำบาปก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปแต่บางทีทำบาปแล้วไม่ได้ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็มีเหมือนกันแต่จะมีไม่มีก็ไม่เป็นผลไม่ไม่เป็นผลอะไรมากไม่สำคัญ คือในที่สุดก็ต้องตายไปตายไปทรัพสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่ได้มาหามาไม่ว่าจะเป็นในทางที่ถูกหรือผิดก็ตามมันก็หมดไปตามสภาพของความตายของร่างกายเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ตายไปของร่างกายนี้คือใจและเป็นสิ่งที่จะต้องรับภาระของบุญหรือของบาป ที่ได้ทำไว้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทำบุญทำบาปนี้เป็นการแสดงผลเพียงเป็นเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างเป็นผลตัวอย่างเท่งนั้นแต่ผลที่ยังที่มันมีกระทบที่มันสะสมอยู่ในใจนี้มันยังไม่หมดมันทำให้ใจเสื่อมลงรู้จเจริญขึ้นแล้วก็ทำให้ใจมีความสุขหรือ ม, มีความทุกข์ นี่มันยังไม่หมดเวล า, าที่ร่างกายตายไปแล้วบุญกับบาปนี้มันก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจที่กลายเป็นดวงวิญญาณนี้ให้ไปอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดมีกําลังมากกว่ า, าถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญนี่บาปก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในสภาพที่ย่ําแย่เป็นสภาพที่มีแต่ความทุกข์น อยู่แบบเเดราฉานทุกแบบเดราฉานทุกแบบเปรตทุกแบบวสุลกายหรือทุกแบบนรกร อ, อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทาบาปที่มากกว่าการทำบุญแล้วจะอยู่ในอาบายนี้นานหรือไม่นานก็ขึ้น อ, อยู่กับความการทำบาว่าทำมากหรือทำน้อยทำมากก็ต้องอยู่นานทำน้อยก็อยู่ไม่นาน ในทางธงงานข้ามถ้าบุญนี้มีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ดวงวิญญาณนี้อยู่แบบสวรรค์อยู่แบบเทพอยู่แบบพรหมหรืออยู่แบบอริยะเจ้าก็ได้เพราะบุญนี้มีหลายระดับมีสมระดับระดับเทพระดับพรหมและระดับอริยะเจ้าจนถึงระดับพระนิพพานเลย อันนี้ก็เกิดจากการทำบุญในรูปแบบต่างๆนี่คือการรู้เหตุรู้ผลบัณฑิตนี้จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ถ้าเราไปคบคนแล้วเขาไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็สามารถสรุปได้ว่าเขาไม่ได้เป็นบัณฑิตถึงแม้ว่าเขาจะเก่งทางโลกเรียนจบปริญญาเอกมาจากทางโลกก็ตามแต่เขาบอกถ้าเขาบอกว่า S <S <ๆ>เขาบอกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีทำบุญแล้วไม่ได้มีผลอะไรทำบาปแล้วไม่มีผลอะไรอันนี้แสดงว่าเขาโงา่ถ้าเขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี้ในสายตาของชาวพุทธเหล่านี้เราถือว่าเขาไม่เป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนผ่านเพราะเขาไม่รู้เหตุรู้ผลอันนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะศึกษาเพื่อเรียนรู้ให้เข้าอกเข้าใจเพื่อเราจะได้เป็นบันฑิตต่อไปได้เพราะการมีความรู้เหล่านี้จะมีคุณประโยชน์ต่อจิตใจอย่างยิ่งเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าเราทำแบบนี้แล้วจะเป็นการทําร้ายทําโทษจิตใจเราก็จะไม่ทำถ้าการกระทำแบบนี้ทาแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์กับจิตใจเราก็จะทาแต่สิ่งเหล่านี้ ถ้าเรารู้ว่าทําบุญแล้วมีแต่คุณไม่มีโทษเนี่ยทำแบาปได้มีแต่โทษไม่มีคุณเนี่ยเราก็ต้องไม่ไม่ทำบากราก็ต้องพยายามทําบุญเวลาใดที่มีคนพานในใจเรามาชวนให้เราไปทําบากราก็ต้องไม่ทําเราก็ต้องฝืนให้ได้นี่คือการรู้ ร, ร, รู้เรื่องสองอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง ก็คือให้รู้เหตุและรู้ผลเหตุก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจผลก็คือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจและการไปเกิดในภพที่สูงหรือที่ต่าขึ้นอยู่กับการรู้เหตุและรู้ผลนี่นอกจากนั้นท่านก็นยังสอนให้เราในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องรู้จักตนรู้จัก ฐานะของเราเพราะคนเราเกิดมานี้เราอยู่ในโลกสมมุติสมมุตินี้เขามีแบ่งชั้นวรรณะมีแบ่งเพศแบ่งอะไรกันแบ่งหญิงแบ่งชายแบ่งแบ่งฐานะรวยจนสูงต่ำมียศมีตำแหน่งอะไรต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าเราฐานะของเราอยู่ตรงไหนเราสูงหรือต่ำ เราก็ต้องรู้จักการกระทำตัวเราให้เหมาะสมกับฐานะของเราถ้าเราไปทำไม่ถูกเราก็จะกลายเป็นคนแปลกประหลาดไปได้อาจจะเป็นที่รังเกียจของสังคมอาจจะเข้าคบค้าสมาคมกับคนไม่ได้ถ้าเรายังต้องอยู่ในโลกนี้ยังต้องเกี่ยวข้องกับคนเราก็ต้องรู้จักฐานะของเราแล้วก็พยายามปฏิบัติ ตามฐานะของเราไปให้ถูกต้องเพื่อที่เราจะได้ไม่เกิดปัญหากับผู้<ม>ข้อที่สี่ก็ทรงสอนให้เรารู้จักบุคคล<ม>ก็ให้เรารู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยหนึ่งเพราะบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้ก็มีฐานะแตกต่างกันไปคนที่สูงกว่าเราก็มีคนที่เท่าเราก็มีคนที่ด้อยกว่าเราก็มี วิธีการปฏิบัติกับบุคคลต่างๆก็ต่างกันไปบุคคลที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้มีความเคารพคนที่เท่าเราเราก็ให้ความสนิทสนมคนที่ด้อยกว่าเราเราก็ต้องให้ความเมตตาสงสารเขาดูแลเขาช่วยเหลือเขาอันนี้คือการให้เรารู้จักสังคมรู้จักบุคคลถ้าเราทำตัวให้ถูกต้องแล้วมันก็จะทาให้มัน มันทำให้เราเป็นคนที่ไม่ผิดเพี้ยนไปถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องคือเราไปเคารพไปกราบคนที่เขาอ่อนกับเราอย่างพ่อไปกราบลูกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกยกเว้นว่าถ้าลูกไปบวชเป็นพระนี่ลูกก็เปลี่ยนฐานะจากลูกไปเป็นพระเป็นพระก็มีฐานะที่สูงกว่าอย่างนี้พ่อก็ไปกราบลูกได้กราบพระได้ แต่ถ้าพระไปกราบแม่ชีอย่างนี้ก็ไม่ถูกฐานะแนละ้วเพราะว่าแม่ชีนี้ทางสังคมนีถือว่าไม่ต่ำกว่าพระภิกษุพระภิกษุมีศีล227ข้อแม่ชีมีศีลเพียง10ข้อถึงแม้ว่าสมมตินะถึงแม้ว่าในใจของแม่ชีมีคุณธรรมที่สูงกว่าพระภิกษุเช่นแม่ชีอาจจะเป็นพระอาหารหันต์ แต่พระภิกษุนี้ยังเป็นเพียงปุถุชนนี้ถึงแม้ว่าจะเคารพก็ต้องเคารพทางนั้นภายในใจให้ความเคารพในคุณธรรมที่สูงกว่าได้แต่เวลาที่อยู่ในสาธารนณะในที่ที่เราจะต้องอมีการกระทําที่เหมาะสมเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของสังคมสังคมก็บอกว่าเป็นภิกษุนี้มีศีลมากกว่าเป็นแม่ชี เแม่ชีแม่ชีต้องไหว้ผ้าภิกษุถ้าแม่ชีมาถือว่าฉันเป็นอรหันต์ฉันไหว้ผ้าภิกษุไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าแ ม, แม่ชียังขาดปัญญาข้อนี้อยู่ยังไม่รู้จักตนยังไม่รู้จกักบุคคลอันนี้ก็ทาให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนอื่นเขาไม่เข้าใจกันซึ่งมีข่าวาวอยู่เรื่อยบางทีก็เป็นคารวาก็มีผ้าไปกาก เพราะพระเขามีความเชื่อว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงเป็นพระอาหารหันต์เป็นอะไรก็อยากจะไปแสดงความเคารพอันนี้ก็เป็นการกระทาที่ไม่ถูกเป็นงานกระทำแบบคนโง่ทำตอนนี้มีไฟไฟติดกล้องอันที่สองนี่โอเคเพราะฉะนั้นต้องรู้ตนรู้บุคคล รู้ฐานะของเรากับของเขาว่าเรามีฐานะอย่างไรเขามีฐานะอย่างไรเราควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไรเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้รู้ทางศาสนานี้จะสอนเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เรารู้จักตนรู้จักบุคคลแล้วก็สอนให้เรารู้จักสังคม ส, สังคมก็คือใหร้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั่นเองสังคมเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามอย่างไรเราก็ควรที่จะน้อมทาตามสังคมไทยเราเจอกันเราก็ยกมือไหว้กันถ้าไปไปกราบพระเราไปหาพระเราก็ไปกราบพระกันมีมีขั้นตอนที่เหมาะสม ถ้าเจอเพื่อนฝูงก็อาจจะทักทายกันถ้าเป็นสังคมต่างชาติเขาก็มีวิธีต่างกันไปสังคมญี่ปุ่นเขาก็จะโค้มศรีรษะให้ก่บกันสังคมฝรั่งเขาก็ต้องจับเนื้อกันจับมือกันอันนี้ลำบากเวลาเป็นพระแล้วไปเจอสังคมฝรั่งแล้วสังคมฝรั่งเป็นสติเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะยื่นมือมาจับกับพระ ถ้าพระไม่จับก็แสดงเขาก็จะรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าพระนี่ไม่ไม่เมตตาไม่มีไม่มีความเป็นมิตรแต่ถ้าพระไปจับพระก็ผิดศีลชงพระอีกอันนี้ก็บางทีจะต้องมีการอธิบายให้เข้าใจกันว่าสังคมแต่ละสังคมนี้มีขนบธรรมเนียมประเพดีอันดีงามที่ไม่เหมือนกันสังคมฝรั่งนี้เขานิยมกอดกันเวลาพบกันแสดงความรัก ความเป็นมิตรใหกันด้วยการกอดกันสังคมไทยเราไม่นิยมที่เราจะไปกอดกันสังคมไทยเรานิยมการไหว้กันอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำตัวเราให้กลายเป็นของแปลกไปเราจะทำให้เราเข้าสังคมไม่ได้หรือเป็นที่รังเกียจของสังคมอะนนี้คือการรู้รจักสังคม แล้วข้อต่อมาก็ให้เรารู้จักกาลเทศะกาลเท ศ, ศะก็ให้เรารู้จักเรื่อการและสถานที่และเวลาเวลาเราไปสถานที่หนึ่งเวลาหนึ่งนี้เรามีกิจกรรมอย่างหนึ่งเราก็ต้องรู้ว่าเราควรที่จะทำอย่างไรควรจะเรียบร้อยหรือควรจะเต้นรำเต้นกาก็อยู่กับสถานกับสถานที่ถ้าเราไปตามบาตามผับตามงานเลี้ยงต่างๆ งานสังคมก็มีการร้องนําทําเพลงแล้วก็ไปร้องนําทําเพลงไม่ใช่ไปทำหน้าตาหน้าตาแข่งขุึมใส่ชุดดําไปอย่างนี้ <c oughs> หรือว่าถ้าเราไปงานศพเราก็ตรู้ว่าเราต้องใส่ชุดดำํำเราต้องแข่งขุ่มไม่ใช่ไปใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดแล้วก็ไปร้องร้องนาทำเพลงในในงานศพอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าการรู้จักการละเทศะ เพื่อที่จะทำให้เรานี้ไม่มีปัญหากับใครนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายก็คือให้เรารู้จักประมาณรู้จักประมาณคือในการใช้สอยบริโภคปัจจัยสีนั่นเองใหร้รู้จักความพอดีเพราะว่ามากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายอาหารก็กินให้มันพอดีอย่า ก, กินมากเกินไป กินมากแล้ว ก, ก็จะมีน้ำหนักเกินน้ำหนักมากแล้วก็จะเกิดโรคภัยตามมาโรคภัยไข้เจ็บตา่ตางๆดันั้นกินน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้สูบผอมแล้วก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องรู้จักการใช้สอยบริโภคอาหาร น, นี่ท้งให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเสื้อผ้าอาพรก็เช่นเดียวกัน อย่ามีมากเกินไปไม่เกิดประโยชน์อะไรมีมากๆมกันกลกลายเป็นภาระที่จะต้องคอยดูแลแล้วก็เป็นภาระกดดันให้ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อเสื้อผ้ามาใส่เรื่อยๆเพราะถ้าเริ่มซื้อแล้วมันจะไม่มีความว่าพอเวลาเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่มันก็อยากจะได้เห็นแล้วมันสวยเห็นต้องใช้หลักเหตุผลว่าเราใช้เสื้อผ้าเพื่ออะไร การใช้เสื้อผ้าก็เพื่อที่จะใช้เป็นการปกปิดร่างกายปกปิดอวัยวะต่างๆร้องการภัยจากอากาศหนาวเย็นหรือจากแมลงสัตว์กัดต่อยถ้าเรามีเส no ื erm ้อผ <talk> in ้าที่ทำหน้าที่นี้ได้แล้วพอเพียงอาจจะมีสัก 3, ามสี่ชุดนี้มันก็พอแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองไปซื้อเสื้อผ้ามาไวมากมายแล้วก็ เงินทองก็จะได้ไม่หมดเราก็ไม่ต้องดิ้นดนหาเงินหาทองมากเกินไปเราจะได้มีเวลาเอาไปทำคุณทําประโยชน์อย่างอื่นที่สําคัญกว่าการเลี้ยงดูร่างกายของเราเพราะเราเรายัางต้องเลี้ยงดูจิตใจของเราด้วยและจิตใจของเรานี้สําคัญกว่าร่างกายถ้าเรามามัวเสียเวลากับการดูแลร่างกายเราจะไม่มีเวลาไปดูแลจิตใจและเราจะปล่อยให้จิตใจของเรานั้นตกต่า จิตใจไม่ได้รับการดูแลทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจเป็นทุกข์ไม่สบายได้ดะงนั้นต้องดูต้องมีความพอดีระหว่างการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจต้องแบ่งเวลาให้ร่างกายเท่าที่จำเป็นแล้วก็เวลาที่เหลือก็ให้กับการดูแลจิตใจเพราะจิตใจ น, นี้มีความสำคัญมากกว่าร่างกาย ร่างกายนี้อยู่ไปไม่เกินร้อยปีก็ตายไปแต่จิตใจนี้อยู่ต่อไปไม่มีวันจบจิตใจจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเรารู้จักการดูแลให้เวลากับการดูแลจิตใจหรือไม่ดังนั้นการบริโภคปัจจัยสี่ก็อย่าให้มันมากเกินความต้องการของร่างกายถ้ามันต้องเสียเวลามากกับการดูแ ล, ลาา ก, ก, กแล็เราก็เอาหลักของที่พระเจ้าทรงสอน เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลปัจจัยสีเลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสีให้ใช้หลักมากน้อยสันโดษมากน้อยก็คือให้มีเท่าที่จำเป็นไม่ให้มีมากเกินไปสันโดษก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดตามถ้าต้องการเท่านี้แต่ได้ไม่ถึงที่ ท, ที่ที่ต้องการก็ก็ไม่เป็นไรก็ยินดีตามมีตามเกิดไปอันนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องมาเสียเวลา ับการดูแลร่างกายด้วยปัจจัยสี่ <c oughs> นะเครื่องเครื่องนุ่งห่มก็ให้มีพอประมาณที่อยู่อาศัยก็พอให้มันหลบแดดหลบฝนได้ป้องกันภัยจากสัตว์จา ก, จากบุคคลที่ไม่ไม่ไม่พึงปรารถนาได้ก็พอขอให้ร่างกายมีมีที่ปลอดภัยอยู่มิชิดแล้วยารักษาโรค ก, ก็เอายาที่ที่ ที่สามารถรักษาโรคได้โรงพยาบาลก็ไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบา ล, ร, าบาลรัฐบาลก็รักษาได้ค่าใช้จ่ายก็จะไม่มากจะได้ไม่ต้อง <c oughs> เสียเวลาให้มากเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ร่างกายนี้รักษาอย่างไรไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องตายไปอยู่ดีคนที่รักษาโรงพยาบาลเอกชนก็ตายได้ ไม่ใช่ว่าถ้าไปรักษาโรงพยาบาลก็ชนแล้วจะหายทุกอยายจะไม่ตายเมื่อถึงเวลามันจะมันจะตายรักษาที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันเมื่อยังไม่ถึงเวลาไปรักษาที่ไหนมันก็ไม่มันก็หายมันก็ไม่ตายได้เพรา ะ, ะนั้นเราก็อย่าไปกังวลกับเรื่องการเลี้ยงดูดูแลรักษาร่างกายให้มันมาก เ, เกินไปให้รู้จักประมาณให้ให้รู้จกัจกความเหมาะสมเพื่อที่เราจะได้ไม่ ไม่เสียเวลาอันมีคุณค่าที่เราจะเอามาใช้ให้กับการดูแลจิตใจมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนให้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ถึงพระนิพพานที่มีแต่ความสุขมีบรมมสุ นิบบานังปรมังสุขังอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสาคัญมากกว่าการเลี้ยงดูร่างกาย <c oughs> เลี้ยงดูดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องถึงแก่ความตายอยู่ดี <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ดูแลจิตใจเลยดูแลแต่ร่างกายเลยชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่สูญเปล่าไป <c oughs> ไม่ได้อะไรติดตัวไปเพราะเราไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่จิตใจ เมื่อแต่คอยทำคุณทำประโยชน์ให้แต่ร่างกายเพียงอย่างเดียวก่อนมาก็จะเสียชาติเกิดเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับจิตใจไม่ได้ยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้เป็นยุคที่ยุคเดียวเท่านั้นที่จะสามารถยกระดับของจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระ น, นิพพานได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาน อย่างมากก็ทำได้แค่ขั้ น, น, นระดับพร ม, มโลกเท่านั้นเองแต่ก็ยังต้องติดอยู่กับตายพพอยู่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ถ้าเจอในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วเราเอาเวลามาให้กับการศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็สามารถยกระดับจิตใจของเราให้ถึงขั้นสูงสุดให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย นี่คกอสิ่งที่พวกเราควรที่จะคำถึงในวันพระอย่างวันนี้ให้เราพยายามกระทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการกระทำตามมงคลข้อต่างๆไม่ครบคนพานครบบัณฑิตบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา การฟังทำตามาการตามเวลาการสำนาธรทำตามการตามเวลาการกระ ท, ทำแบบนี้จะเป็นวิธียกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้การแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเฮาถาวาริวาหาปูราปะเรปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปก a รปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉะตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสย a ธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพารุโควินาศตุ มาเตพวตวันตารายโสุขีทีคายยโกภวะพิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวทัานติอายุวันสุขาภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใายอยากจะถามอะไรนี่ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามนั้นถ้ากาอยากจะถามอยากจะถามเองก็เข้ามาได้มีไมโครโฟนน่ไม่อยากจะเข้ามาเองเขยนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมีมือถือจะส่งข้อความเข้ามาทางเพจรือทาง u t u b e ก็ได้วันนี้มีผู้ติด ต, ตามทั้งหมดเท่าไหร่ ผู้ร <interpret ations> <im itation> ับฟังทาง a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติ498ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์264ท่าน YouTube ดร c h ช n n e l 107ท่านวิทยุออนไลน์10ท่านกลัก h ฮ u s ์16ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ126ท่านรวม 1,021 ท่านค่ะถ้ามีคำถามอยากจะถามก่าเชิญถามได้เลย คำถามจากผู้เรียนป้าทานตาลค่ะหนูภาวนาแล้วมีจิตผู้รู้ตั้งฐานอยู่ข้างในนั่งที่ไรก็เข้าชานได้ทุกทีค่ะแล้วก็รู้แล้วว่าต้องพิจารณาอย่างไรวางใจอย่างไรในก่อนก่อนตายแต่รู้สึกว่าต่ช่วงหลังจิตมันขี้เกียจค่ะพระอาจารย์อยากจะเจริญธรรมที่มันสูงกว่านี้ในใน ในของพระอนาคามีค่ะซึ่งก็ก็รละลึกถึงกระดูกได้นะคะแต่มันไม่ตลอดเวลามันเหมือนติดมันขี้เกียจนะคะอยากให้พระอาจารย์เมตานั้พยายามนึกไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเผลอก็นึกไปเรื่อยๆเวลาเห็นร่างกายของใครก็นึกถึงโครงกระดูกของเขาแล้วต่อไปมันก็จะติดใจเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราก็จะสามารถใช้ภาพที่เราเรา่องนี้มาหยุดมันได้ค่ะ ก็ต้องพยายามเรียกเป็นการเจริญปัญญาต้องทําอย่างต่อเนื่องใหม่ๆมันก็ล่มลุกคลุกขานปัญญาเหมือนรถเนอะรถเวลาสตาร์ทใหม่บางทีมันก็ติดบ้างมันก็ดับแต่เราก็ต้องพยายามสตาร์ทมันให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอทัศพยายามมันก็จะวิ่งได้เร็วมันไม่ขยันเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เหมือนตอนที่หัดนั่งสมาธิต้องไปปีกไม่เว่เ<อ>งใช่ไหมค่ะต้องไปปีกไม่เว่งแล้วว่าไปอยู่คนเดียวแล้วก็ พยายามหาอุบายให้มันพยายามนึกอยู่เรื่อยๆไม่ต้องนั่งคือพอนั่งสมาธิอะไรมันก็เข้าฌานสู่ความว่างตลอดไปนะมันได้แค่ความนิ่งมันไม่พอพอออกมากิเลมันออกมาเพ่นพ่านเราก็หยุดมันไม่ได้ค่ะเราต้องใช้ปัญญาถึงจะหยุดมันได้ใช้ใจรักใช้อสุภ ะ, ะจิตที่มันหยุดกึกอยู่ข้างในเวลามีเอจะคิดอะไรหรือเราไม่คิดก็ได้เนี่ยก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้อง เป้าหมายก็คือให้มันเป็นอย่างนี้ทั้งตวลาที่เรานั่งและไม่เวลาไม่ได้นั่งเป็นตอนนี้ก็ให้มันเป็นเหรือตอนที่เรานั่งในสมาธิถ้านั่งอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะแต่มันออกมาแล้วมันไม่นิ่งมันมีอารมณ์ต่างๆเราก็ต้องใช้ปัญญามาดับมันให้ทิ้งกลับขอบพระคุณค่ะโอเคนะต้องต้องไปปีกว้เวกไปปัจฐบาลเยอะ คำถามคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความหมายของคําว่ากัมมะพันธุหรือพูดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัานธุ์ด้วยเจ้าค่ะก็เผ่าพัานธุ์ก็คือพันดีและพันชัว่วคนดีคนชัว่วก็เกิดจากการกระทําของเขาเขาทําดีเขาก็มีพันดี เขาทําชั่วเขาก็พันเป็นพันพันเชั่วไปเก็เท่ะนั้นเองการกระทําของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นเผ่าไหนเป็นมาจากเผ่าพันุ์ไหนถ้าเราทําแต่บาปทําแต่กรรมนี้แล้วก็มาแต่กรรมอ แ, แต่มาแต่เผ่าพันธุ์ที่ชั่วไม่ดีถ้าเราทําบุญทำกุศลอะไรเราก็มาจากเผ่าพันธุ์ที่ดีเพราะนั้นเองอยู่ที่การกระทําของเรา จากผู้ไม่ประสงค์ออกงานค่ะข้อที่หนึ่งในการตัดสินใจที่เลือกทางธรรมของหลวงพ่อเช่นลาออกจากงานนอกจากเงินสําหรับใช้ชีวิตแล้วยังมีเหตุปัจจัยอื่นที่ต้องคิดพิจารณาด้วยไหมคะเช่นความพอใจไม่พอใจของคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้มีส่วนในการตัดสินใจของหลวงพ่อขณะนั้นไหมคะหลวงพ่อมีอุบายวิธีคิดและตัดสินใจอย่างไรเจ้าคะ่ะ ก็คิดว่าเวลาเราทุกข์เขาไม่มาช่วยเราได้เนี่ยเราต้องช่วยตัวเราเองอยังนั้นเราไปทําตามความรู้สึกนึกคิดของเขาเขากับเรามันมีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันเนีเรามีทางของเราเขามีทางของเขาแต่คนก็ต้องเดินไปตามทางของตนเองไม่เสียหายตรงไหนแต่และคนนี้มีกรรมเป็นของของตนถ้ามีบุญพามาบุญก็จะพาไป ถ้ามีกรรมพามากรรมก็จะพาไปแค่ะะนั้นเรื่องเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเคารพพ่อแม่เรื่องอะไรต่างๆเถ้าไมเวลาเราไปเรียนหนังสือที่ที่ต่างจังหวัดถ้าเราไปได้พอจะไปบวชเท่านั้นกลายเป็นปัญหาขึ้นมาการไปบวชมันก็ไปเรียนหนังสืออีกแบบหนึ่งนี่มันนั่นแหละมันก็ไปอยู่โรงเรียนกินนอนไปอยู่วัดก็โรงเรียนกินนอนเราพุทธศาสนาก็คือโรงเรียนดีๆนี่เอง ลงเรียนทางธรรมท่านนั่นเองก็ยังติดต่อคนพอ่อคุณแม่ได้ถ้ามีธุระจําเป็นก็ต้องติดต่อกันถ้าท่านต้องการความช่วยหรือว่าเดือดร้อนเราก็ไปช่วยได้เราก็ไปช่วยก็ก็ไม่ได้หมายความว่าตัดกันตัดขาดจากกันไม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว่าเราแต่ละคนต้องเลือกทางเดินวิถีชีวิตของแต่ละคนทําไมเวลาไปแต่งงานไม่คิดถึงพ่อของแม่มาไปได้นะ พอจะไปบวชหน่อยไปปฏิบัติธรรมหน่อยมาห่วงพ่อห่วงแม่ขึ้นมาทันทีนกิลเลสมันหลอกเรากิลเลสมันอยากให้เราไปข้อที่สองค่ะ และหากจะตัดสินใจบวชเดินตามเส้นทางของหลวงพ่อเนื่องจากเห็นแล้วว่าปฏิบัติขณะเป็นครวาดผลที่ได้น้อยกว่านักบวชแต่ยังติดห่วงพ่อแม่ที่ยังมีความรู้สึกติดค้างในใจว่าเราจะเป็นลูกอกตันยูไหมตรงนี้จะมีอุบายวิธีคิดอย่างไรในการตัดสินใจและวางใจคะก็บอกแล้วไงข้อที่หนึ่งก็ตอบไปหมดแล้วข้อต่อไปจากคุณจรัญญาค่ะ เมื่อวานโยมป่วยเกือบช็อกในร้านขายยาตอนไปซื้อเกลือแร่กินให้น้องในร้านช่วยชงเกลือแร่ให้โยมเห็นความทุกข์ของความเจ็บป่วยและเสียตายอย่างชัดเจนยังกลัวตายอยู่ค่ะแต่พอเริ่มฟื้นก็พิจารณาไปพบว่าชีวิตนี้เราก็ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้และไม่เป็นของเราขนาดร่างกายชีวิตนี้ว่าเป็นของเราบทเขาจะตายเขาก็ไม่ขออนุญาตจากเรา พยายามปล่อยวางร่างกายนี้ค่ะเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติสิ่งอื่นภายนอกก็ไม่ใช่ของเราเช่นกันโยมควรพัฒนาการฝึกปฏิบัติต่อไปอย่างไรเจ้าคะก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่ทุกข์กับมันได้ไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายจะเป็นอะไรอย่างไรเราดูแลมันไปตามกํากลังของเราถ้ามันจะเกินกาลังของเราก็ต้องถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไป ก็ต้องปล่อยไปตามตามสภาพของมันอย่าให้มันทุกข์กับร่างกายอย่าให้ไปทุกข์กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอย่าไปทุกข์กับคนนั้นคนนี้เพราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่เราทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องตรงจากคุณสีพีนแนนค่ะฝันเห็นตัวเองอยู่ในงานศพ ดีหรือไม่ดีคะควรตั้งสมาธิกองไหนถึงจะเหมาะสมเจ้าคะก็อยู่ที่เราว่าเราจะมองทางโลกหรือมองทางธรรมมองทางธรรมก็ดีมันเป็นปัญญามันเป็นเครื่องสติเตือนใจว่านี่คืออนาคตของเราต่อไปเราก็ต้องเข้าไปนอนในโลกถ้ามองทางโลกเขาก็ว่าไม่ดีว่าเป็นอัปมงคลเพราะทางโลกนี้อยากจะอยู่ไม่อยากจะตายก็แล้วแต่เราจะมองมองมุมไหน <c oughs> จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกําลังมีทุกข์เพราะมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศในขณะที่คุณแม่อายุ80ปีต้องอยู่บ้านคนเดียวที่เมืองไทยคุณแม่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ตามสภาพแต่ทดถอยลงเรื่อยๆตามอายุมีทุกข์มากเพราะหาทางออกไม่ได้ว่าดูแลท่านดีกว่านี้ได้อย่างไรควรจะวางใจอย่างไรหรือพิจารณาทำข้อไหนเพื่อไม่ให้ทุกข์ใจคะ่ะ แคนี้แหละเวลาไปมีครอบครัวต่างประเทศก็ไปได้เวลาไปบวชไปไม่ได้ก็ดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้แล้วแต่ความเสียสละของเราถ้าเรารักแม่มากก็สละทิ้งผัวไว้ชั่วคราวก่อนกลับมาดูแลแม่มไปก่อนเพระเดี๋ยวแม่ตายก่อนเดี๋ยวผัวก็ยังอยู่ต่อก็ขับไปหาอยู่กับผัวต่อได้ ขออนุญาตจากสามีไปว่าตอนนี้แม่เป็นป่วยมากต้องไปดูแลก็เท่านั้นเองอยู่ที่ว่าเรารักท่านมากรักใครมากกว่ากั น, นถ้ารักผัวมากกว่ารักแม่ก็อยู่กับผัวไปจากคุณภูวนาศค่ะเมื่อร่างกายตายแล้วนอกจากบุญกับบาปแล้วที่ไปกับใจเรายังมีอาสวะกิเลสติดไปด้วยใช่ไหมครับใช่กิเลสตัณหาโมหะอวิชชา แล้วก็ธรรมะต่างๆที่เราได้ปฏิบัติมันก็ไปกับเราถ้าเรารักษาศีลเราก็เอาไปด้วยถ้าเรามีศีลก็ไปด้วยมีทานเราก็อไปด้วยมีสมาธิมีปัญญามันก็ไปด้วยทั้งหมดนะจากคุณพาสกรเวลาจิตเป็นสมาธิเหมือนจิตหลับลึกใช่ไหมครับไม่หลับหรอกจิตตื่นแต่จิตสงบจิตนิง่งไม่หลับจิตรู้สึกตัวตลอดเวลา จากคุณอีฟการตัดการมราคะต้องใช้กําลังสมาธิมากไหมเจ้าคะก็ถ้ามันไม่มากมันก็มันก็หยุดไม่ได้มันต้องขั้นระดับอุเบกขาเนะี่ยถ้าไม่มีอุเบกขามันก็จะหยุดไม่ได้ต้องฝึกสมาธิให้จิตมีอุเบกขาเยอะๆแล้วพอเกิดกิเลสขึ้นมาก็จะสู้กับมันได้จากคุณแอนนี่ การทํางานในทางโลกเป็นการทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แหวกแนวแตกต่างเกินจริงทําให้เกิดอารมณ์ร่วมเกิดกิเลสอย่างนี้ในทางธรรมผิดหรือไม่เจ้าคะ่ะและจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้สําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอ๋อทางโลกกับทางธรรมมันคนละทางกันเราจะเอามาปนกันมันก็จะมันก็ไม่ได้ เรือกเราทํางใดทางหนึ่งแต่เราทางโลกก็ไปทางโลกแล้วก็เอาไปทางธรรมก็ไปทางธรรมเพราะทางทางโลกกับทางธรรมมันเหมือนกับคนละด้านกันทางโลกก็ต้องมีการหลอกลวงมีการสร้างสร้างภาพอะไรต่างๆล่อล่อล่อใจคนเพืให้เขาได้มาซื้อสินค้าของเราซื้อบริการของเราแต่ทางธรรมนี่เราก็จะไม่ไม่ได้อยากที่จะได้อะไรมาก เราก็เพียงแต่พออยู่พอกินไปวันวันหนึ่งก็พอก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างภาพสร้างอะไรมาหลอกลวงคนจากคุณหมวยการจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องมีวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไรเจ้าคะเราก็ต้องมีศีลระดับศีลแปขึ้นไปแล้วก็ฝึกสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิมีอุเบคาแล้วก็พิจารณาร่างกายแลว เวทนาว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันตายปล่อยมันเจ็บถ้าปล่อยได้ก็จะไม่ทุกข์จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บจากคุณวีระพง์การซื้อหวยเป็นบาปหรือไม่และถือว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่งใช่ไหมครับทาให้ต้องตกนรกหรือไม่ครับ ไม่หรอมันก็เป็นการซื้อสินค้าอย่างหนึง่งจะมีผลตอบแทนทุกอย่างเราไปซื้อของมันก็มีมันก็มีผลตอบแทนให้กับเราซื้ออาหารมันก็ให้ความอิ่มกับท้องเราซื้อหวยถ้าถูกมันก็ให้รางวัลเราถ้าผิดมันก็ไม่ได้รางวัลพราะฉะนั้นจะเป็นการมา น, านันหรือไม่ ก, ก็อยู่ที่ว่าเราเราเอามันมาเป็นอาชีพหรือเปล่า ถ้าเราคิดว่าเราเอามาเป็นอาชีพอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการพนันต้องต้องเอาสายรายได้จากการการซื้อหวยอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นการพนันซึ่งไม่ควรจะเอามาทำเอามาทําเป็นอาชีพถ้าเที่ยว่าเป็นการเสี่ยงโชคหรือเป็นการทําบุญถ้าเราไม่ถูกก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปนี่มันก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหน จักคุณประยงก่อนที่จะเดินทางมาอยู่ที่ต่างประเทศลูกได้มาปฏิบัติธรรมและได้อธิษฐานจิตขอให้การเดินทางทุกอย่างราบรื่นด้วยดีเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับมาปฏิบัติธรรมและทําบุญเหมือนที่เคยมาถือว่าเป็นการบ่นบาลผิดศีลไหมเจ้าคะคือว่าเป็นความไม่ฉลาดดีกว่าถ้าไปแล้วต้องกลับมาไปทําไมก็อย่าไปไม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับการเดินทาง จัดคุณภูมิการที่จะทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นทำอย่างไรครับเขาต้องทำมันบ่อยๆสติก็ต้องเจริญบ่อยๆสมาธิก็ต้องนั่งบ่อยๆปัญญาก็ต้องพิจารณาบ่อยๆศรัทธาก็ต้องศึกษาธรรมะบ่อยๆมันก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาความเพียรก็ต้องกระทำให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับจากคุณมก ค, ค่า เมื่อทําสมาธิไปถึงจุดที่นิ่งมากๆแล้วเราควรจะพิจารณาหรือทําอะไรต่อไปครับไม่ควรเรานั่งสมาธิเพื่อให้มันนิ่งให้มันนิ่งนานๆให้มันมีความสุขจากกับความนิ่งให้มันมีโอเบขาให้มันวางเฉยตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะไปเจริญปัญญาพิจารณาอะไรถ้าอยากจะเจริญปัญญาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อน พอจิตออกจากความนิ่งแล้วมาเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาคิดทางปัญญาคิดคิดทางไตรลักคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ปล่อยวางได้จากคุณแอนนี่คนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการฆ่าปลาขายปลาอาหารทะเลต้องวางใจแบบไหนคะถ้ายังไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้ก็ต้องไปเป็นปลา้ฆ่าบ้างตออทํากรรมใดไว้มันก็ต้องรับผลของกรรมนั้น ชา น, นี้เราค่าเขาชาติหน้าของก็กลับมาค่าเราจักคุณพัฒพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรที่ยุคสมัยนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมากเนื่องจากการประพฤติตัวไม่เหมาะสมของพระพิสุทรงหลายต่อหลายรูปครับมันความเสื่อมมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันมันก็มีทั้งคารวะญาติโยมก็มีส่วน พระละาญาติโยมก็ไม่สนใจที่จะศึกษาวิธีที่ทํานุบอมนุงพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องทําอย่างไรก็ปล่อยปะละลเลยหน้าที่กันก็เลยทาให้ถูกพวกแฝงเข้ามาปลอมแปลงเข้ามาปลอมเข้ามาเป็นพระกันมาแล้วก็มาหลอกญาติโยมทําอะไรต่างๆเพราะญาติโยมก็ไม่มีปัญญาไม่รู้ทันว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรไม่ถูกต้อง แค่มันก็มันก็ต้องโทษทุกคนอ่ะโทษพุทธบอยสัตว์สี่ภิกษุภิกภิกษุภิกษุณีสัมมเนนบูบาสุคบาสิกาถ้าทุกคนทําตามหน้าที่ศึกษาปฏิบัติคำคำสั่งของทองพระพุทธเจ้านี้ทุกคนจะรู้ว่าอะไรควรเป็นอย่างไรแล้ว ถ, ถ้ามีเกิดอะไรที่ไม่ควรขึ้นมาก็จะได้ห้ามปากกันได้ป้องกันกันได้ตอนนี้ทุกคนไม่รู้ผิดรู้ถูกใครทําอะไรวัตนี้ก็ ถามมันวุ่นไปบนอย่างนี้ถูกหรือเปล่าผิดหรือเปล่าพาไปไหว้แม่ชีถูกหรือเปล่า <Yeah. S 1> เขาไม่รู้กันเพราะไม่ศึกษากันนั <Yeah. S 1> ่นองนั้นก็เป็นยุคของเสื่อมเสื่อมเพราะพุทธบริษัท <Yeah. S 1> ไม่ใช่เพราะคนใดคนหนึ่งลูกใดลูกหนึ่งมันมันทั้งมันทั้งระบบคับพูดง่ายๆถ้าทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนพทธเจ้าทากิจที่พเจ้าทรงมอบให้ทาคือ กิที่เรียกว่าพันธะธุระแล้วก็วิปั ส, สนาธุระพันธะธุระก็คือการศึกษาคําสั่งคําสอนการแล้ววิปั ส, สนาธุระก็คือการปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคําสั่งคําสอนถ้าเราทําหน้าที่ของเราแล้วเราจะเข้มแข็งเราจะรู้เวลามีอะไรแปลกความเข้ามาเราก็จะไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาได้อย่างงไไ่ายดาย จากคุณพุโทโธนั่งสมาธิแล้วน้ำตาไหลบางครั้งก็ไหลอยู่นานครับเลยออกจากสมาธินั่งภาวนาต่อไม่ได้ครับจิตไม่สงบเป็นเพราะเหตุใดครับเพราะขาดสติไงถ้ามันมีอาการก็ต้องเพิ่มสติใช้ถ้าเราดั้งเฉยๆมันก็จะเป็นอย่างนี้อตอนนี้นเราต้องกลับมาที่ดูลมหายใจ ถ้าดูลมเล้วนี่มันยังไม่หายก็ใช้คำอะไรคำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยถ้านั่งเฉยเฉยแสดงว่าไม่มีสติควบคุมใจใจมันก็จะแสดงอาการต่างๆขึ้นมาได้และจะทำให้การปฏิบัติลมเหลวไม่สามารถดาเนินต่อไปได้จักคุณปณิธา a เราห่างหายจากการฟังธรรมและปฏิบัติมาสองปีขณะนี้กลับมาถือศีลแปด ยาว9ก้าวันและรู้สึกว่าต่อไม่ติดกิเลสเยอะมากและขี้เกียจมากค่ะเหมือนต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดขอคำแนะนำค่ะก็ต้องยอมแล้วว่าเราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่าทำแบบกระตายให้ทำแบบต่อต่ว น, นี้ก็ทำไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยดีกว่ากระตายทำแบบวันไหนอยากจะทำก็ทำวันไหนไม่อยากจะทำก็ไปเที่ยวไปเล่นพอกลับมาทำใหม่ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ เต่ามันไปเรื่อยๆมันแจงหน้าก็ตายไปได้ทางที่ดีก็พยายามปฏิบัติให้มันเป็นนิสัยให้มันมีเวลาทำฝึกมันทำทุกวันทำมากทำน้อยก็ทำไปก่อนแล้ว ค, ค่อยเพิ่มไปตามกำลังของเราอย่างนี้มันก็จะเจริญก้าวหน้าไม่มีการถดถอยถ้าทำแล้วหยุดหยุดแล้วทามันก็อย่างนี้เดินไปข้างหน้าสองก้าวแล้วก็ถอยหลังกลับมาสองก้าวมันก็ไปไม่ถึงไหน มันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่มก็ต้องยาอมรับสภาพว่าเราต้องเริ่มต้นใหม่มก็ทําไปยังไม่สายเกินแก่แต่ต้องใจเย็นๆอย่าไปอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนตอนที่เราปฏิบัติคราวที่แล้วตอนนี้มันไม่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันกลับมาอยู่ที่ศูนย์ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่จากคุณการากาศค่ะ หนูขอกราบเรียนถามสภาวะธรรมตอนนี้หนูเห็นเขาหายใจธรรมชาติมากขึ้นเหมือนตอนที่หลับและถอนหายใจเองเป็นระยะระยะเห็นแสดงกระบวนการความคิดอารมณ์และความปรุงแต่งเห็นจิตสังกายให้เคลื่อนไหวทํางานต่างๆถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีผุดขึ้นมีหรือมีสิ่งที่มากระทบเขาจะถอนหายใจแก้กันเองอยู่ตลอดแล้วใจก็โล่งเบาเลยโดยที่หนูไม่ได้ทําอะไร และนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยออกจำไม่ค่อยได้นอกจากเขาจะผุดขึ้นมาเองเขาเห็นแบบกว้างๆเห็นลมด้วยเห็นกระบวนการทำงานของกายใจสลับกันทั้งวันคำถามข้อที่หนึ่งหนูควรดูเฉพาะจุดหรือดูในสิ่งที่เขาแสดงให้ดูทั้งหมดแบบกว้างๆแบบนี้ต่อไปเจ้าคะคือถ้าเวลานั่งสมาธิก็ให้ดูลมดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่น ถาเวลาไม่ได้นั่งสมาธิ <st> ก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่อย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังล้านหน้าแปลงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปลงฟันกํกนล า, า ล, กลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ข้อที่สองหนูไม่เคยเข้าฌานเลยอยู่ในสมาธิแค่กลางๆรับรู้ทั้งสภาวะภายนอกและภายในกายใจแต่ใจยังตั้งมั่นอยู่เป็นเช่นนี้จำเป็นต้องเข้าฌานไหมเจ้าคะอถ้ามันไม่เข้าฌานก็หมอกินข้าวไม่อิ่มเวลากินข้าวเราต้องกินให้มันอิ่มหรือเปล่าแล้วกินว่าพอถ้ากินได้ทั้งจานหนึ่งก็พอละยังไม่อิ่มก็หยุดส่วนยหญ่เราไม่หยุดกินใช่ไหถ้ามันยังไม่อิ่ม อันในการทาสมาธิก็เป็นเหมือนการให้อาหารกับจิตใจเราก็ต้องทำให้มันอิ่มให้มันพอถ้ามันยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องทำต่อไปอย่าขี้เกียจต้องดูลมต่อไปต้งพุโทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็ไปถึงจุดนั้นเองถ้าเราไม่หยุดจักคุณจุกนั่งภาวนานา น, า น, านผ่านเวทนาแล้วนั่งหลับจะแก้ไขอย่างไรครับลุกขึ้นมาเดินถ้าหลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทน จากคุณสุกัญญาโยมไม่ฝันร้ายมาหลายปีแล้วถือว่าโยมปฏิบัติเป็นอุเบกขาหรือเปล่าเจ้าคะหรือจิตเป็นปกติดีแล้วเจ้าคะก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำบาวบากกรรมมันไม่มีมันก็เลไม่แสดงผลตอนนอนหลับแต่ถ้าไม่ฝันดีก็แสดงว่าบุญก็ไม่ได้ทําเหมือนกันบาวก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ทําก็แบบกลางๆเป็นมนุษย์ระดับของมนุษย์เป็นอย่างนั้น ถ้าฝันดีก็เป็นเทศพถ้าฝันไม่ดีก็เป็นอบายจากคุณกุหลาบทุกเช้าก่อนที่ลูกจะออกไปข้างนอกลูกจะนั่งสมาธิและสวดอิติปิโสในใจเกินอายุตัวเองอย่างนี้ถือได้ภาวนาทำทำสมาธิหรือไม่เจ้าคะก็เป็นการจเจริญสติก่อนถ้าทําสมาธิต้องดูลมหายใจนึกพุโทโธแล้วให้จิตนิ่งสงบหยุดคิดถึงนเรียกว่าเป็นสมาธิขึ้นมา คำถามจากผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมถ้าเราคิดว่ามีตัวก็จะมีตัวตายถ้าเราคิดว่าเราไม่มีตัวก็จะไม่มีอะไรตายใช่ไหมครับมันไม่อยู่ที่ความคิดของเรามันอยู่อยู่ที่ความจริงความจริงก็คือไม่มีอะไรตายนั่งกายก็ไม่ได้ตายนั่งกายมันก็เพียงแต่แปรสภาพจากอาการสารสองกลายเป็นน้ำลมไฟไปใจก็ไม่ได้ตายใจก็เป็นผู้รู้อยู่เหมือนเดิม จากผู้ปฏิบัติคะ่ะลูกสาวเรียนอิงเตอร์อายุ20ปีเขาพูดว่าศาสนาพูธแค่สอนให้ you don't care โยมฟังแล้ว ร, รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกแต่ไม่ทราบว่าจะใช้คำอะไรกราบพระอาจารย์ช่วยอธิบายหรือใช้ประโยคที่ถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษคะ่ะลูกสาวเขาว่าอะไรนะเขาบอกว่าพุทธศาสนาสอนแค่ให้ you don't care you don't care ก็ไม่ใช่เราศาสนาพุทธก็สอนให้แคร์ให้แคร์จิตใจของเราให้แคร์ร่างกายของเราให้รู้จักดูแลร่างกายและให้รู้จักดูแลจิตใจเพื่อไม่ให้ร่างกายทุกข์เพื่อไม่ให้จิตใจทุกข์เพราฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้เขาก็จะไม่รู้จักคุณประโยคน์จี ภาวนายิ่งรู้สึกเบื่อทางโลกไม่ค่อยอยากพบเจอผู้คนส่วนทางกับวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นเหมือนบททดสอบในการปฏิบัติใหม่เจ้าคะก็แสดงว่าเราก้าหน้าทางธรรมนถ้าเราอยากจะดูคนเดียวอยากจะอยู่กับความสงบก็แสดงว่าเราไปทางธรรมนะถ้าเราอย่างยังชอบคลุกคลยังชอบสังคมอยู่ก็แสดงว่าเรายัางติดอยู่ทางโลกอยู่ จากคุณภัสกรสมาธิคือที่พักเหนื่อยของจิตใช่ไหมครับใช่เป็นที่พักเป็นที่เติมอาหารเติมความอิ่มความสบายความสุขให้กับใจจากคุณภัสกรถ้าจิตไม่รู้จักสภาวะสมาธิจิตจะพิจารณากายไม่ได้ใช่ไหมครับจะไม่มีกำลังเหมือนคนที่ไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินข้าวแล้วให้ไปทางานก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรง ร่างกายนี้ต้องมีการพักผ่อนหลับนอนมีการรับประทานอาหารให้พอเพียงแล้วพอมีกำลังวังชาก็สามารถออกไปทำงานได้สมาธิเป็นที่พักผ่อนปัญญาและวิปัสสนาเป็นที่ทำงานของใจเน้นถ้าไม่มีสมาธิมาสนับสนุนใจจะไม่มีกำลังที่จะไปทำงานทางด้านวิปัสสนาได้จากคุณพุทธโธการเข้านิพพานยากไหมครับ มันไม่แล้วแต่บางคนฟังเทศคําเดียวก็เข้านิพพานได้ัแต่ละคนนี้มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันเหมือนนักเรียนที่เรียนหนังสือเนี่ยนักเรียนบางคนก็ได้เกรดดีบางคนก็ได้เกรดไม่ดีเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี้มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เราไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นอยู่ที่ตัวเราก็แล้วกันถ้าเรายัางเข้าไม่ได้ก็รีบทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นไป เดจักคุณจูนเวลานอนสมาธิรู้สึกจิตนิ่งมากกว่าการนั่งและบางครั้งลมหายใจหายบางครั้งหลับแบบนี้ควรนอนสมาธิต่อหรือนั่งสมาธิดีกว่ากันคะถ้านอนมันก็จะหลับถ้าไม่ต้องการหลับก็ต้องนั่งานนนมาแล้วเลยโอเคก็พอดีกับเวลามีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม <c oughs> ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเถิด